เหมือนเกิดใหม่ในโลกสิ้นโศกเศร้าหัวอกเขามีสุขทุกสถานพูนจากทานสดใจในดวงมานเ้าประ เหมือนเกิดใหม่ในสกล